เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30มีนาคมพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาตักตวงประโยชน์สุขที่มนุษย์ จะเพิ่งได้รับจากพระพุทธศาสนาเพราะมีมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถตักตวงประโยชน์สุขจากพระพุทธศาสนาได้บุคคลอื่นคือสัตว์อื่นเช่นเทพพรมก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ตักตวงมากเหมือนกับมนุษย์เพราะ มนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้ถ้าไปเกิดในสวรรค์เป็นเทพเป็นพรหมก็จะไปสวยสุขก็จะไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญต่างๆถ้าไปตกนรกไปเกิดเป็นเดราชานก็จะมีแต่ความทุกข์ความรุ่มร้อนจิตใจจนทำให้ไม่มีโอกาส คิดถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลได้มีแต่พบของมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถตักตวงบุญกุศลต่างๆหรือบาปกรรมต่างๆได้อยู่ที่ว่าจะฉลาดหรือจะโง่ถ้าฉลาดหรือมีคนสอนให้รู้ถึงคุณค่าของการทำความดีทำบุญทำกุศลก็จะ ทำบุญทำกุศลก็จะได้รับประโยชน์อย่างมากมายถ้าไม่มีใครสอนหรือไม่รู้ว่าการทำบุญนี้เป็นเรื่องที่ดีกลับไปทำบาป ท, ทำกรรมก็จะสะสมความทุกข์ต่างๆสะสมนรกขึ้นมาในจิตในใจของตนและเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องไป ใช้เวรใช้กรรมในอบายในนรกต่อไปนี่คือเรื่องของใจเราใจของเรานี้ต่างกับร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของใจใจมาเกิดได้ร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือที่จะไปทำบาปก็ได้ทำบุญก็ได้ถ้าทำบุญก็จะได้ความสุข ความเจริญไปตามลำดับจนถึงบุญถึงความสุขที่สูงสุดคือพระนิพพานไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปดังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ตาคกทั้งหลายได้บำเพ็ญ น, นี่เป็นสิ่งที่มนุษย์เราเท่านั้นที่จะสามารถทำได้ถ้ามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เช่นเป็นนกเป็นสุนัขหรือเป็นแมวถึงแม้จะมาอยู่ในวัดก็จะไม่รู้เรื่องของพระธรรมคำสอนไม่รู้เรื่องของการทำบุญรักษาศีลของการปฏิบัติธรรมของการฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ไปก็อยู่แบบทับพีในหม้อแกงไม่รู้รสชาติของแกงว่าเป็นแกงชนิดใดบ้างไม่เหมือนกับลิ้นที่ได้สัมผัสกับแกงแม้เพียงหยดเดียว ก็จะรู้รสชาติของแกงนั้นว่าเป็นแกงชนิดใดัในใดมนุษย์ก็เป็นเหมือนกับลิ้นเกิดมาแล้วมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเสิฐที่เป็นแสงสว่างนำทางให้กับชีวิตไปสู่ที่ดีที่ที่เจริญที่มีแต่ความสุข แต่ถ้าเกิดมาแล้วทำตัวเป็นเหมือนกับทัพพีในหม้อแกงก็ถือว่าขาดทุนหรือเสียชาติเกิดคือเกิดมาแล้วแทนที่จะได้รับประโยชน์ก็ไม่ตักตวงไม่สนใจเหมือนกับไปร้านอาหารแทนที่จะรับประทานอาหารให้อิ่มหนำสำราญใจกลับนั่งดูเฉยเฉยไม่สนใจที่จะรับประทาน ไปอยู่ในรานอาหารนั้นก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเพราะรานอาหารก็มีไว้เพื่อให้เรารับประทานอาหารเพื่อเราจะได้มีความอิ่มมีความสุขนั่นเองจันใดการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ทำบุญให้ทานไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมไม่นั่งสมาธิไม่เจริญปัญญาเจริญวิปัสสนา ไม่ฟังเทศฟังธรรมแต่กลับไปหาความสุขจากการเที่ยวการกินการดื่มไปหาความสุขจากอบายมุขต่างๆเช่นสุรายาเมาเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันถ้าทำอย่างนี้ก็ขาดทุนไม่ได้กำไรตายไปก็เหมือนกับเดินถอยหลัง ตายไปก็ต้องเหมือนกับไปติดคุกติดตารางแทนที่จะไปอยู่ที่มีแต่สิ่งที่ดีที่งามทั้งหลายนี่คือเรื่องของมนุษย์และพระพุทธศาสนาที่เมื่อทั้งสองส่วนนี้มาได้พบกันแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์สุขอันใหญ่หลวงให้กับมนุษย์ ผู้นั้นได้เช่นพระอริยสาวกทั้งหลายหลังจากที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแล้วได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของตน จนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในที่สุดได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ถึงได้ถึงถึงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นรางวัลที่เลิศที่สุดที่มนุษย์เราสามารถจะคว้ามาครองได้รางวัลอื่นๆในโลกนี้ไม่มีความหมายอะไรจะได้เหรียญทอง ในกีฬาชนิดต่างๆก็ไม่ได้ทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้จิตใจก็ยังต้องว้าวุ่นขุ่นมัวกับเรื่องราวต่างๆ ต, ต, ต้องทุกขกับความแก่ต้องทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องทุกข์กับความตายต้องทุกข์กับาการพัดพรากจากกันสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถช่วยให้จิตใจของเรา อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขท่ามกลางความแก่ความเจ็บความตายการพัดพากจากกันได้มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆได้เพราะใจของเรานั้นขาดขาดแสงสวา่างมีความเห็นผิดเป็นชอบ มีความหลงคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับตนจึงเกิดความยึดติดในสิ่งต่างๆแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งต่างๆที่ตนไปยึดติดนี้เป็นเหมือนลูกระเบิดไม่รู้ว่ามันจะระเบิดออกมาเมื่อไหร่พอเวลามันระเบิดออกมาก็ร้องโหมร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีทนอยู่ต่อไปไม่ได้ ถึงกับต้องฆ่าตัวเองไปก็มีอยู่มากพราะไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆพอสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือบุคคลต่างๆเหล่านั้นเปลี่ยนไปหรือจากไปก็เกิดความเสียอกเสียใจจนทนอยู่ต่อไปไม่ได้ถึงถึงกับถึงกับต้องฆ่าตัวตายไป ไม่มีธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าไว้คอยเตือนสตินั่นเองถ้ามีแล้วรับรองได้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าเราจะแก่จะเจ็บจะตายจะพลาดภาคจากใครจากกันก็ตามจะไม่รู้สึกวิตกไม่รู้สึกทุกข์กังวลแต่อย่างใดเพราะใจสามารถอยู่ได้โดยตามลำพังของมัน ที่ทุกข์ก็เพราะว่าไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆพอสูญเสียสิ่งต่างๆไปก็เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าไม่ยึดไม่ติดแล้วก็จะไม่ทุกข์แต่อย่างใดเหมือนกับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆของคนอื่นที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเราไม่ได้ไปยึดไปติดด้วย เราไม่เดือดร้อนเวลาเงินทองเหล่านั้นสูญเสียไปหมดไปหรือบุคคลต่างๆที่คนอื่นเขายึดติดกันแต่เราไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ไปยึดไปติดด้วยเช่นครอบครัวของคนอื่นสามีภรรยาของคนอื่นบิดามารดาของคนอื่นเวลาเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ทุกข์ไปกับเขาด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ไปหลงไปยึดไปติด ว่าเป็นของเรานั่นเองว่าจะให้ความสุขกับเราเราอยู่ของเราได้โดยไม่ต้องมีเขานี่คือหลักของพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้ว่าใจของเรานี้สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขเพราะไม่มีอะไรให้ความสุขกับใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่ให้ความทุกข์กับใจทั้งสิน้น ไม่ว่าจะได้อะไรมาได้มาแล้วก็ต้องทุกขกับสิ่งเหล่านั้นได้สามีได้ภรรยาก็ต้องทุกขกับสามีทุกขกับภรรยาได้บุตรได้ธิดาก็ต้องไปทุกขกับบุตรกับธิดาถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทุกขกับใครนี่คือความจริงที่เราทุกคนได้เห็นกันอยู่แต่ไม่คิดกันเมื่อไม่คิดกันก็เลยถูกความหลงหลอก เวลาอยู่คนเดียวก็จะรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าวเวยอยากจะมีเพื่อนขึ้นมาคิดว่ามีเพื่อนแล้วจะมีความสุขแต่หารู้ไหมว่าพอได้เพื่อนมาแล้วก็เท่ากับได้ศัตรูมาอีกคนหนึ่งต้องมาคอยตัดกันมาทะเลาะกันมามีปัญหาต่อกันนี่คือความหลงไม่คิดเสียก่อนถ้าคิดสักหน่อยแล้วจะไม่อยากจะได้อะไร เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนมีความทุกข์ติดมาเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเหยื่อนั้นถึงแม้ว่าจะน่ารับประทานขนาดไหนก็ตามแต่ก็มีตะขอเกี่ยวติดอยู่ถ้าลองไปหุบเหยื่อเข้าแล้วก็จะต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวคอพอติดแล้วก็ทุกทรมานทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้น พเราเปติดแค่แล้วก็จะทุกข์ทรมานอยู่ปราศจากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เช่นสุรายาเมาหรือบุรีพอได้พอติดแล้วก็เลิกยากเวลาเลิกก็ทุกข์ทรมานใจเวลาไม่ได้สูบเวลาไม่ดื่มไม่ได้ดื่มก็ทุกข์ทรมานใจแต่คนที่ไม่ได้ติดบุรีไม่ได้ติดสุรายาเมา ก็จะไม่ทุกเรื่องบุหรี่เรื่องสุรายาเมาแต่อย่างใดไม่ได้สูบก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ดื่มก็ไม่เดือดร้อนอะไรนี่คือเรื่องของใจของเราสิ่งที่ใจต้องการมากที่สุดก็คือบุญกุศลต้องการความสงบที่เกิดจากการทําบุญสร้างกุศลต่างๆทํานุนให้ทานก็จะทําจิตให้สงบไปในระดับหนึ่งรักษาศีลก็จะทําให้จิตสงบ มากขึ้นไปปฏิบัติธรรมภาวนานั่งทาจิตใจให้สงบก็ยิ่งทำให้จิตสงบมากยิ่งขึ้นไปใหญ่และถ้าจเจริญปัญญาจเจริญวิปัสสนาเห็นตรายลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังในสภาวธรรมทั้งหลายในสิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วปล่อยวางได้ยิ่งจะไม่ทุกข์กับยิ่งจะสงบไปเต็มที่เลยจะสงบอย่างถาวร จะสงบแบบไม่มีการกับเพื่อมอีกต่อไปไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินอะไรจะสัมผัสกับอะไรจะรู้สึกเฉยเฉยไม่วุ่นวายใจเวลาแก่ก็ไม่เดือดร้อนเวลาเจ็บไข้เดือยป่วยก็ไม่เดือดร้อนเวลาตายก็ไม่เดือดร้อนเวลาใครจากไปก็ไม่เสีย อ, อกเสียใจไม่วุ่นวายใจแต่อย่างใด น, นี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้า มีอนุภาพอย่างนี้และสามารถเป็นสมบัติของพวกเราทุกคนได้เพียงแต่เราต้องน้อมเอามาปฏิบัติกับกายวาจาใจาของเราเช่นเริ่มต้นก็ให้ทาบุญให้บอยจากให้เสียสละส่วนเกินที่เราไม่ต้องอาศัยเข้าของเงินทองต่างๆที่เหลือกินเหลือใช้อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหวงอย่าไป เสียดายเก็บไว้เท่าที่จำเป็นเก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าที่เราจำเป็นจะต้องอาศัยแล้วถ้ายังมีเหลืออยู่ก็นำเอาไปสงเคราะห์ไปช่วยเหลือผู้อื่นเพราะจะทำให้จิตใจของเราเบาจิตใจของเราเย็นจิตใจของเราอิ่มเ อ, อิจิตใจของเราสบายใจนี่เป็นขั้นที่แรกที่ต้องทำก็คือต้องบริจาค ต้องเสียสละต้องให้อย่าไปหวงเอาเท่าที่จำเป็นอยู่อย่างมากน้อยสัโดุมีเสื้อผ้าสักษีห้าชุดก็พอมีที่หลบแดดหลบฝนพอนอนหลับได้ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆก็พอไม่จำเป็นต้องมีบ้านราคาเป็นสิบล้านร้อยล้านไม่จำเป็น เสื้อผ้าก็อย่างที่บอกมีแค่พอสวมใส่พอไว้เปลี่ยนก็พออาหารก็รับประทานพอให้อิ่มก็พออาหารก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นราคาแพงๆต้องไปรับประทานตามโรงแรมเพราะว่ารับประทานที่ไหนมันก็อิ่มเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่และไม่ได้อยู่ชนิดอยู่ราคาของอาหาร อยู่ที่อาหารนั้นรับประทานแล้วทำให้ร่างกายอิ่มไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไม่ปวดท้องไม่เป็นไม่เป็นพิษกับร่างกายก็พอกินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินถ้าอยู่เพื่อกินแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอกินอย่างนี้แล้วก็อยากจะกินอย่างนั้นกินอย่างนั้นแล้วก็อยากจะกินอย่างนั้นต่อไป ความอยากมันจะมีมาเรื่อยๆตลอดเวลาแต่ถ้าเรากินเพื่ออยู่แล้วมีอะไรก็กินไปอยู่ใกล้ที่ไหนมีอะไรกินก็กินไปกินเพื่อให้อิ่มท้องก็พอแล้วเราจะไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเดือดร้อนกับการหาความสุขจากการรับประทานอาหารชนิดต่างๆเพราะเราไม่ได้กินเพื่อความสุขเรากินเพื่อร่างกายให้ร่างกาย อยู่ได้ความสุขนี้เราเราได้จากการที่เราไม่วุ่นวายกับการแสวงหาอาหารชนิดต่างๆถ้าเราวุ่นวายแล้วบางทีเราก็จะมีความทุกข์ถ้าเราไม่ได้รับประทานอาหารที่เราอยากจะรับประทานหรือหรือรับประทานอาหารที่เราไม่ชอบอย่างนี้ก็จะทำให้เราไม่มีความสุข แต่ถ้าเรายินดีอาหารทุกชนิดคนอื่นรับประทานได้เราก็รับประทานได้ไม่เลือกไม่จู้จี้จุกจิกมีอะไรก็รับประทานไปเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้ก็พออย่างนี้เราก็จะมีความสุขมีความสบายใจมีความพอมีความไม่ไม่ต้องตะเกียกตะกายหาอาหารชนิดต่างๆมาคอยบารุงบํรเลอยู่ตลอดเวลา นี่คือการอยู่แบบแบบที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจคือไม่สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจนั่นเองถ้าอยู่แบบอยากสิ่งต่างๆอยากได้สิ่งต่างๆจะสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่รู้จักจบจากสิน้นเพราะความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีฝังไม่มีฝาต่อให้ได้มาเท่าไหร่ก็จะไม่รู้จักคำว่าพอ ต่อให้มีเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ยังจะไม่รู้รู้รู้สึกว่าพอยังอยากจะได้อย่างอื่นอีกความอยากนี้มันมีไปตั้งแต่ขั้นต่ำไปจนถึงขั้นสูงสุดคือเบื้องต้นก็อยากจะพอมีพอกินทุกคนเกิดมาก็ไม่มีใครอยากจะอดอยากขาดแคลนพอได้พอมีพอกินแล้วก็อยากจะร่ำรวยขึ้นมา อยากจะเป็นเศรษฐีพอเป็นเศรษฐีขึ้นมาก็อยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยากจะมีราบอยากจะมียศมีนีตำมีตำแหน่งสูงๆอยากเป็นสสอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีอยากจะเป็นประธานาธิบดีเมื่อได้ไปแล้วก็อยากจะเป็นไปนานๆเมื่อเป็นไปนานๆแล้วก็อยากจะ อยู่ไปนานๆอยากจะมีอายุยืนยาวนานเป็นร้อยปีและถ้าตายไปก็อยากจะไปสวรรค์นี่คือความอยากของมนุษย์มันไม่มีขอบไม่มีเขตมันมีอยากไปได้เรื่อยๆแต่ความอยากเหล่านี้จะไม่ได้ทำให้ไปสู่การสิ้นสุดของความอยากของความทุกข์ได้การที่จะสิ้นไปถึงที่สิ้นสุดของความทุกข์ได้ ต้องอยากไปพระนิพพานต้องอยากไปถึงพระนิพพานเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ไปถึงกันต้องอยากอย่างนี้เพราะเมื่อถึงพระนิพพานแล้วจะหายอยากจะไม่อยากกับอะไรอีกต่อไปจะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปจะไม่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปพัาดพรากจากการอีกต่อไปนี่คือความอยากที่ ที่ที่ควรอยากแต่ถ้าอยากในทางอื่นแล้วอยากไปอยากเพราะมันจะพาราวนเวียนอยู่ในตายพบอยู่ในสังสารวัฏตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เกิดมากลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดภาคจากกันมาอยากใหม่ก็จะวนไปอย่างนี้ไปไเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดและ มีแต่ความทุกข์ที่ต้องคอยแบกอยู่เสมอน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้พระพุทธเจ้าทรงเปรียบทรงตรัสว่าเมื่อมารวมกันแล้วจะมากกว่าน้ําในมหาสมุทรอีกก็แสดงก็คิดดูเอา ก, กันแล้วกันว่าเราเวียนว่ายตายเกิดมามากน้อยเพียงไรแล้วกว่าจะได้น้ําตามากขนาดในน้ําในมหาสมุทร พบชาตินี้มันต้องนับเป็นล้านๆขึ้นไปถึงจะได้น้ำตาขนาดน้ำในมหาสมุทรและยังจะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังไม่ตัดความอยากต่างๆให้หมดไปเราต้องตัดความอยากต่างๆเหลือไว้อย่างเดียวคือความอยากไปไปถึงพระนิพพานความอยากที่จะสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ความอยากนี้จะสามารถบรรลุผลได้ก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าดําเนินชีวิตตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงดําเนินอย่างไรทรงสอนให้เราดําเนินอย่างไรเราก็ต้องดําเนินตามพระพุทธเจ้าทรงสระละราชสมบัติท่านตัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติข้าวของเงินทองลูกเมีย บิดาตัดหมดคือคือปล่อยอไม่ไม่เกี่ยวข้องด้วยออกไปแสวงหาหาบุญหากุศลไปบําเพ็ญไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาจนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่หลังจากที่ได้บรรลุแล้วก็ทรงกลับมาโปรด ญาติพี่น้องทั้งหลายเมื่อก่อนนี้ที่ตัดนั้นไม่ได้ตัดแบบตัดขาดไม่มีเยื่อใหญ่แต่ตัดเพื่อที่จะหลบไปอยู่ตามลําพังเพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติทำได้อย่างเต็มที่ mm hmm. เพราะถ้าปฏิบัติอยู่กับญาติกับพี่น้องแล้วจะไปไม่รอดเพราะจะต้องมาคอยกังวลมาคอยห่วง มอคอยดูแลกันอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ปรารถนาพระนิพพานจึงต้องปลีกวิเวกต้องปลีกตัวออกจากเพื่อนฝูงออกจากญาติสนิทมิตรสหายออกจากครอบครัวออกจากงานจากการต่างๆแล้วไปอยู่ตามป่าตามเขาไปหาที่สงบสงัดเพื่อบําเพ็ญ แต่เมื่อได้บำเพ็ญจนได้ผลได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้นก็กลับมามาเยี่ยมเยียนมาสงเคราะห์มาดูแลญาติพี่น้องเพื่อนสูงต่อไปพอที่จะสั่งสอนได้ก็สั่งสอนไปพอที่จะเลี้ยงดูกันได้ก็เลี้ยงดูกันไปไม่ได้ไม่ไม่ได้ตัดแบบไม่มีเยื่อใหญ่ตัดไปเพื่อที่จะปลีกตัว ให้ออกจากเรื่องราววุ่นวายต่างๆออกจากภาระที่ต้องคอยมากังวลดูแลห่วงใยกันเพราะจะไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ถ้าจะต้องมีภาระเหล่านี้อยู่นี่คือการตัดตัดแบบตัดเพื่อที่จะได้มีเวลาไปปฏิบัติแต่เมื่อปฏิบัติแล้วได้บรรลุผลแล้ว ก็ค่อยกลับมาดูแลกันใหม่มาสงเคราะห์กันมาช่วยเหลือกันตามแต่ที่จะช่วยเหลือได้ที่จะสงเคราะห์กันได้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญทรงสระละราชสมบัติทรงออกบวชและได้ตัดสรู้เป็นพระอาหารหันต์ตะสมมาสามพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็ประกาศพระธรรมคำสอน ช่วยเหลือสัตว์โลกให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้บรรลุถึงเนี่ยนี่แหละคือคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์เราสามารถจะเอามาครอบครองเป็นสมบัติของเราได้และจะเป็นสมบัติของเราอย่างถาวรจะไม่สูญหายไป ไม่เหมือนกับสมบัติต่างๆในโลกนี้ต่อให้เรามีมากน้อยเพียงไรก็ตามเวลาเราตายไปเราก็ต้องทิ้งไปหมดกลายเป็นของคนอื่นไปหมดคนอื่นก็ยิ้มสบายอยู่เฉยๆรอให้พ่อให้แม่ตายก็ได้เงินได้ทองใช้ไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่โง่ถ้าพ่อแม่ฉลาดก็เอาไปทำบุญให้หมดเก็บไว้เพียงบาทสองบาทพอให้มี พอกินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พออยากทิ้งสมบัติให้ลูกมากจนเกินไปไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะจะไม่เห็นคุณค่าของเงินทองอะไรก็ตามถ้าได้มาง่ายมันก็จะหมดง่ายจะใช้ง่ายจะหมดไปง่ายต้องให้เขาหากินหาใช้ของเขาเองจะดีกว่าเขาจะได้เห็นคุณค่าของเงินของทองสมบัติที่เราควรให้ก็คือวิชาความรู้ส่งเสียให้เขาได้ร่ำเรียน พ่อก็ได้จบเรียนจบแล้วมีปริญญาแล้วเขาช่วยตัวเขาเองได้แล้วพอแล้วไม่อย่าทิ้งเงินทิ้งทองเลยมากเพราะเดี๋ยวเขาก็จะใช้แบบไม่รู้จักประมาณใช่แบบสุรุ่ยสุร่ายและจะเกิดเป็นโทษติดตัวกับเขาไปเพราะเวลาเงินหมดเขาจะไม่รู้จักหาเงินหาทองเขาก็จะต้องไปหาโดยวิธีที่ไม่ชอบ ไปลักขโมยไปโกหกหลอกลวงไปช่อโกงด้วยวิธีการต่างๆดังนั้นอย่าไปเสียดายสมบัติเข้าของเงินทองเอามาทําบุญให้ทานเพื่อเราเพื่อที่เราจะได้พัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นเพื่อเราจะได้รักษาศีลได้ง่ายขึ้นเพื่อเราจะได้ปฏิบัติธรรมได้ง่ายขึ้น ต้องอาศัยการทำบุญให้ทานเป็นเบื้อต้นเมื่อให้ทานแล้วก็จะรักษาศีลง่ายเมื่อมีศีลแล้วก็จะภาวนาง่ายเมื่อภาวนาง่ายแล้วก็จะบรรลุธรรมง่ายนี่คือสิ่งที่เราต้องทำอย่าเสียดายเพราะว่าไม่มีอะไรมีค่าในะโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริง สักวันหนึ่งเมื่อเราตายไปแล้วก็ต้องทิ้งให้คนอื่นไปแต่บุญกุศลมรรคผลนิพพานนี้ไม่มีใครเอาจากเราไปได้มันจะติดไปกับใจของเราจรึงของฝากเรื่องของการเรื่องของการตักตวงประโยชน์สุขของมนุษย์จากพระพุทธศาสนานี้ให้ท่านดำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติ